มีีมงดังสาอนั่ังนะครับต้ต้องทันกาไขไม่ทันทันไหมลันาจะทันน่าจะทันาเรื่องกสองวันน่น่าจะทันนะทุกหน้าฝึกอะไรมแข็งสหน่อยฝึหน้าอายอุปชาเขาได้ออ ครูฝึกหนิมเข้มแข็งสัหน่อยปล่อยปล่อยปล่อยละไว้ในฐานที่เกรงใจใครก็ไม่ได้หน้าเสียหมดอันไหนชัดอันไหนไม่ชัดต้องเข้มแข็งสัหน่อยพูดบอกผ่านไปผ่านไปผ่านเอาผ่านเอาผ่านเอ า, า, เ, อ า, า, เ, อาเข้มแข็งสักหน่อยนยเยเสรีไม่มีเลยนเอ ย, ยเวลามันเน่อย ดูสระมันที่มันสระอะไรสระมันสระอะไรสระอี๋มั้ยจ๊ะไอ้คนฝึกก็ว่าถูกแต่คนมองมองไม่ถูกมันต้องมีสระอีด้วยดูสระมันเปนสระอะไรเฮ้ยนจมูก อย่างไมน้อยสับเดิมเสียงเดิมของมันเรียนจะใกล้ชิดยังจะใก ล, ใกล้ใกล้เคียงกว่าคำว่าเนยเนยเนี่ยเวลมันนีเวลมนัลมนนีมันยังจะใกล้เคียงใกล้เคียงกว่าเนยนะเวลามนันเนยเวลามนันเนยเสวยไม่นีดูให้ดีอ่ะทั้งคนว่าเราคนท้างเวล ม, นมันนีเม้เราว่าเสียงปกติของมันนอนเนนเสีอี ยังใกล้เคียงกว่าเวลามันเนยเวลมันเนยใครที่ว่าติดปากเวลามันเนยให้เปลี่ยนหมดลราที่เคยจำเราเปลี่ยนใหหมดเวลามันเนยเอีเวลามันเนยเวลามันเนีเราว่าเราว่าตรงๆมันก็ยังใกล้เคียงกว่าเนยมันเป็เวลามันเนยเวลามันเนยเนยก็ให้มันเียตามหลังด้วย เนอยอีเนอยอีเนอยอีเวรมนุยคือนอนเนรมเสียงขึ้นจมูกเวรมนุยตุนสมย์เวร ม, น, น, มนุยตุนสมยไปทบทวนดู ด, ด้วยถุกซ้อมแต่ละครั้งก็อาดเอาไว้เวลามีกเลก็เอาไปเปิดฟัง สอนฝึกซ้อมแต่ละครั้งได้มีข้อแก้ไขมีข้อแก้ไขคนฝึกก็ตายใจคนฝึกก็ตายใจการที่เราจะว่าอะไรต่างๆมันเข้มเข้มแข็งไปตั้งแต่ฝึกหน้านีแหละมันเข้มแข็งขึมาใครก็ตามที่บอกฝึกหน้าทำให้มันเข้มแข็งขึ้ น, น่าเวลาเราไปผิดอายนหนาอายอุปชาทขาเน่ะเขาไปฝึกมาเนี่ย กต้องเข้มข้นเข้มแข็งซะหน่อยต้ฝึกต้องสใส่ใจซะหน่อยห น, นันงนสื อ, อ ม, อมออนอันติดมือเนี่ยนักท่องนักสึกหนังสือต้องติดมือสมัยเราอยู่วัดเราเข้าอยู่วัดอ่ะใครก็ทําหนังสือเห็นติดมือเลยนะเดินไปไหนก็ได้ท่องหมดนี่เรามาเห็นนักสวด น, นักท่องทุกวันนี้ไหมไม่ไมีหนังสือติดมือเนี่ยบางคนในวัดทำวัดข้ามก็ไม่ได้นะ ท่านพระด้วยอะไรไปมันก็ไม่มีหนังสือติดมือแล้วมื่ไหจะได้ลบางคนบวชภาษาหนึ่งไปแล้วนะวัดเช้าก็ไม่ได้วัดเย็นก็ไม่ได้โอ้ยอ๋อมันไม่ใช่เป็นข้ อ, อยากเย็นอะไรถึงขนาดนั้นมันบ่งบอกทั้งว่าเราไม่ท่องไม่สวดอะไรกันเลยหนระือบางคนเคยบอกกับเรานะ เราสิออกไปแล้วไปท่องได้จะมาไหว้ฟังพูนเด๊มีแต่เราไม่บอกออกไปแล้วไปไหว้ได้จะมาไหว้ฟังขนาดนั้นอะ่ะมันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นเวลาที่เรามาฝึกตัวเองมันเป็นสถานที่ที่เรามาฝึกตัวเอง มันเป็นเพศที่เรามาฝึกตัวเองเราต้องฝึกไม่ใช่อยู่รอยตดำลอ ย, ลอยพวกเราไม่บังคับกันอยู่แล้วใครรู้ยังไงก็ทําเอาให้บังคับตัวเองบัางใครเข้าใจยังไงก็ทําเอาบังคับตัวเองบ้างเราอยู่กันแบบผู้ใหญ่เราไม่ใช่อยู่แบบเด็กถือไม่เรียวคาหมายถ้าเราตั้งใจบังคับตัวเองได้ เราได้ไเลยเป็นนิสัยผิดตัวกันเลยตั้งใจแล้วเสร็จแล้วก็ไปโ ท, ด น, ทดน้้นโะทษนี้นะโทษที่ไหนก็โทษไม่ถูกต้องโทษตัวเองเพรานั้นคนอื่นไปทำผิดเท่าไหร่ก็ตามถ้าเราไม่ทำผิดก็คือเราไม่ผิดโทษคนน้นพาผิดคนนี้พาผิดโทษไม่นะ่าถ้าเจ้าของไม่ทำประาเขาเจ้าของจะผิดอะไร กิเลส ม, นะมันโยนไปนั่นมันโยนไปนี้มันไม่ยอมให้มองตัวมันมันไม่ยอมให้มองย้อนหลังเพื่อมาดูหน้าดูตากิเลสกิเลสของเราของท่านดูใด้อีโดยชั ด, ดตัวนี้แหละเอาออกยากที่สุดพยายามเอาออกให้ได้ตัวถือเนื้อถือตัวตัวทิศถิตัวมันเอาออกให้ได้ถ้าเอาตัวนี้ออกได้มีความสุข ตัวนี้ออกได้อย่างเดียงมีความสุขตัวที่ผิดตัวมานนะักตัวถือเนื้อถือตัวตัวนี้เอาออกให้ได้จะออกได้เอาออกยงไงย้อนมาดูหัวกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจเราห่อ ย, ย้อนมาดมันมันเข้าข้างตัวหมดอะกิเลมันพาเข้าข้างตัวหมดบางทีโคโล่ไม่มีเหตุมีไม่มีผลอะไรย้อนไปดูแล้วโอ้กิเลมันหลอกเราชัดชัดปิดหูปิดตาเราชัดชัด ทิมนักถือเนื้อถือตัวกิเลพาถือพูดอย่างนี้พูดตามธรรมพูดเป็นธรรมไม่ได้ว่าใ้ใครเราว่าให้กิเลสในใจเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเอาออกเราจะต้องซักต้องฟอกต้องขัดต้องเก่ามันออกถ้าเราต้องการหาความสุขอย่างแท้จริงเราต้องเอาออกเราไม่ออกไม่เจอ ผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามแม่ชีก็ตามอุบาสกภาคขาวนก็ตามใครก็ตามตัวกิเลียตัวร้ายตาัดตัวง่ายๆต้นๆเนี่ยเอาออกลองท่านเอาออกไปท่านจะมีความสุขมากหัวใจของท่านน่ยไม่ต้องไปกัดเกียนัพรไม่ไกัดเกณฑ์นี้ให้มันถูกต้ อ, องตามใจมันทั้งนั้นพอรู้ว่ามันกัดเกณฑ์ไม่ได้แต่ตัวทิฏฐิมานะน่ะมันชอบไปกัดเกณฑ์ เกณฑ์อันนั้นให้เป็นอย่างงั้นกะเกณฑ์อันนี้ให้เป็นอย่างนี้คําว่ากะเกณฑ์ก็คือไปบังคับนั่นแหละอยากบังคับสิ่งนั้นให้เป็นอย่างนั้นบังคับสิ่งนี้เป็นอย่างนี้มันไม่มีเหตุมันไม่มีปัจจัยกิเลสมันพาคิดนึกเฉยๆบังคับไม่ได้ย้อนไปที่ใจทีอคอเราจะเห็นตัวทีิฏฐิมนะัน่ะดูตัวเวลามันขึ้นวิธีนี้เป็นวิธีต่อสู้เป็นวิธีที่ย้อนมาซักมาฟอก มาชำระมาขัดมาเกลาราเรายิ่งชำระได้มากมาสลายจิตใจเราก็ยิ่งผ่องใสคลายทุกจนเต็รเต็มสงสารเรารักแค่นี้ได้เรามีความสุขมากไม่ต้องไปดินรนเดือ น, น, นดินรนฐานนวดดินนฐานมีตามเหลือฐานนวดตามเหือไม่ต้องไปดินไปถึงไหนถ้าก็ทำงานเหมือนเดิมไปฮอตอังกฤษอเมริกาก็ทำงานอยู่ที่นี่เหมือนเดิมไม่ต้องไปทำงานที่ไหน ไปภาวนที่ไหนก็ตามที่บ้านนั้นเมืองนี้ที่ถ้ำนั้นภูเขาหนุ่ยนี้ที่ไหนก็ตา ม, อ, ม อ, อ, ย อ, ยาอันนี้เป็นเป็นสนามงานมาขัดที่มามาสักมาฟอกมาขัดมากล่าบที่นี้ที่ขัดก่าบที่ไหนขัดกราบไม่ถูกที่ยิ่งขัดที่ติมนักก็ยิ่งมีทำเนียมธรรมทำเนียมสมณธรรมนี่ให้มี ก, การการพบรรายเกรงกันนั้นให้มี เรากครอรบยงเพลงท่านท่านกครองรับยงเพลงเราเพื่อให้มีเพราะนิสัยนี่มอนกันนิสัยทํให้เราอ่อนน้อมเข้าหากันมีความสุขด้วยกันมีความสุขต่อกันมีเมตตาเพื่อแพ่ต่อกันแค่คำพูดคาจาดีๆเพื่อเป็นการสแสดงที่ความเห็นอกเห็นใจกันก็ด้ายาำลังใจแล้วมีกันทา สิ่งต่างๆล่ า, านั้นมันมาจากกิเลสท้งนั้นความแข็งกร่งความไม่เสมอต้นเสมอปลายการทําตัวไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายมันน่าเกลียดดูให้ชัดๆวามไม่ชัดๆมือเพื่อนเราทําตัวไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายเนี่ยกระพูดแบบภาษาง่ายๆคือมันดูแล้วมันน่าเกลียดมันไม่มีธรรมมันไม่เป็นธรรม ความเป็นธรรมต้องทำตัวเสมอต้นเสมอหลายจะมีอะไรคืบหน้าไปก็ไม่เห็นมีผลในตัวของมันแต่ถ้าไม่เสมอต้นเสมองานเนี่ยเขาเรียกว่าอัตถะจริยาอัตถะจริยาพระพฤติประโยชน์สมานะตัตาทำตัวสมองเสมอเขาเรียกทำตัวสมองเสมอมันใช้เวลาหนึ่งทำตัวอย่างหนึ่งเวลาหนึ่งทำตัวไปอีกอย่างหนึ่ง เขาเรียกว่าทำตัวไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายเป็นเห็นให้ขัดหูขัดตาขัดจิตขัดใจกับผู้ที่ทำตัวเสมอต้นเสมอปลาย น, นี่เป็นธรรมนะไปพิจจารณ์ดีนะสมานกตัตาความเป็นผู้มาเสมอต้นเสมอปลายก็คือไม่ถือเนื้อไม่ถือตัวการเข้ากันด้วยมีเมตตา เป็นกรณมีมุติตามีอุเบกขาต่อกันโดยธรรมนั้ น, เ ป, นมมเป็นความสุกเป็นความสุขภายในหัวใจมีความหนักแน่นมันของคือขันติมีความสงบเสงี่ยมคือโอตัปปะเป็นธรรมเป็นธรรมพื้นๆพนอดูมาที่กิริยาของเราไม่ใย่ดูไปที่ตัวหนังสือนั้นก็ธรรมตรีมันมีขันติมันมีสวรรค์ จ, จัก ยิ่งไม่ใช่มองไปเลยเห็นแต่ตัวหังสือดูมาที่ความประพฤติของตัวเองขันตีความอดทนมีไหมทนต่อหนั ง, งนทนต่อเดินจ้งกลงทนต่ออารมณ์ที่มันจะมาคอยแซกเอาพอาุทโธหนีไปจากหัวใจของเรามักมีความอดมีความทนจดจ้องคอยดูมันจะน้ำต้องมีสติมีสัยาธจังยั ให้มีเป็นตัวทำอย่าไป ม, มีเป็นตัวหนังสือสติระลึกได้มีจิตที่เร็วไวรับรู้รับทันอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันสติระลึกรูก้อารมณ์มันไม่มาทางไหนอ่ะมันมากระทบใจมันมาทางตาทางหูทางจมูกทางจิต ท, ทางกายแม้ใจกระทบใจก็คืออารมณ์ข้หงในที่เขเรียกว่าธรรมารมณ์ใจมันนึกมันคิดเรื่องที่ล่วงไปแล้วเขาเรียกว่าธรรมารมณ์ทั้งนั้น จิตมันนึกมันคิดเรื่องทั้งโลกไปแล้วจะเป็นเรื่องเก่า ก, ก็ตามเรื่องใหม่ก็ตามมันนึกคิดคาดเดาใหม่ๆตามสัญญาภ า, า, า, ารมิตรก็ตามกันเรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมถ้าจิตตั้ละเอียดอยู่ในที่สงบสงบัดท่านย้อนไปพิจารณาธรรมารมณ์ก็ได้อารมณ์ที่มีอยู่ภาในจิตจิตมันนึกมันคิดอะไรยปอนไปดมันไปพิจารณามันมันเป็นกันเข้ามาศึกษาเรื่องใน มันเป็นการเข้ามาขัดกวาบจริตนิสัยของเราเพราะทุกคนหวังความสุขหวังความเจริญด้วยกั น, นกทุกคนแต่ถ้าหากไม่รู้จะเอาว้คือไม่ได้แต่หากถ้าทั้งใจขวนขวายก็ยัอด้นดั้นสอดส่องสองแสวงนึกคิดพิริพิจารณาเพื่อค้นคว้าหาอุบายหาวิถีเพื่อเกิดขึ้นในใจของเราบุคคลเช่นนี้ มักจะได้ข้อปฏิบัติซึ่งเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นไปโดยธรรมคาพูดคาเทศคําบอกคําสอนของครูาอาจารย์ทั้งหลายนั้นเป็นกลุ่ยหมายป้ายทางเป็นข้อคิดอ่านสำหรับเป็นข้อเตือนจิตสะกิดใจให้เราน้อมมาเพื่อนึกเพื่อคิดเพื่อพิจิพิจารณาเพื่อได้อุบายเป็นของตัวเองสํำคัญมากการด้อุบายเป็นของตัวเอง เพราะธรรมทุกอย่างท่านต้องการให้กระจายแจ้งภายใ น, ในใ จ, จิตใจของผู้นึกผู้คิดผู้ฟังอีกเพราะฉะนั้นจึงมีกาลามาสูตรบุริเจาท่านทรงแสดงกาลามาสูตรทั้งกี่ข้อสิบข้อก็เพราะเหตุนี้แหละเอาภาพปฏิบัติมาจากปั๊บกาลามาสูตรรวบให้หมดเพราะข้อปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราจะพึงเข้ามารู้เข้ามาเข้าใจเข้ามาเห็น ด้วยใจของเราเองเพียงแต่คนเรนได้ยินได้พูดได้ยินทางหูเพียงแต่ได้เห็นคนอื่นนะได้เห็นทางตาต้องพิสูจน์ว่าผลที่ได้จริงคืออะไรเป็นอะไรผลนั้นจะต้องมาปรากฏภในใจของตัวของตัวเองท่านจริงให้เชื่อไม่ให้เชื่อครูม่ให้เชื่ออาจารย์ท่านให้เชื่อข้อปฏิบัติทําไปแล้วเห็นผลอย่างที่ท่านพูดเอาไว้อย่างที่ท่านว่ า, าไว้ พระพุเจ้าท่านก็ไม่สอนให้เชื่อท่านท่านสอนให้คิดนี้พิจารณาสอบสองธรรมแยกแยะธรรมจำแนกธราเพื่อเกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจตามที่ท่านบอกท่านสอนเมื่อเกิดความเพื่อเกิดความเข้าใจและเห็นว่าเป็นธรรมน้อมสิ่งเหล่านั้นมาเป็นข้อปฏิบัติจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ผู้นําไปพินิตรพิจารณาค่ค่อยไั่ข้อปฏิบัติสิ่งที่เป็นปฏิเรทประฏิเวทก็จะพึงตามมา จะเพิ่มปดขึ้นเกิดขึ้นในหัวใจของนั้นในคนคนนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงปฏิเสธในการหลามสวดไม่ให้เชื่อตามไม่ยินไม่ควา ม, มาไม่ให้เชื่อว่าคนนี้เป็นครูเป็นอาจารย์ไม่ใช่เชื่อว่าคํานี้เป็นคํำพูดสืบสืบกัน ม, มาไม่เชื่อว่าเพราะอันนี้มันมีความคิดนี้ตรง ก, กันกับเราทัานไม่เชื่อท่านให้เชื่อเหตุผลที่พิจารณาแล้วพิสูจน์แล้วทดลองแล้ว เกิดความเกิดความเข้าใจเาในใจเจ้าของเออได้รับความสุขก็ความสุขจริงท่านบอกว่านี้ทุกนาทุาทุกนดูแลพิจารณวโ้ทุกจริงจริงนี่านเชื่อตรงนี้ก็มนอย่างที่พระสารีบุตรท่านบอกว่าท่านไเชื่อพระพุทธเจ้าท่านเชื่อตัของท่านพระสหรคได้ยินเราไปฟงพระพุทธเจ้าพรุทธเจ้าเรกเรียกไปพก ถามว่าทําไมเธอมีความคิดอย่างนั้นยิ ง, ง, งประยุค่ า, าทําไมไม่เห็นผลใดก็ข้าพระองค์มาพิจารณาแล้วเห็นแล้วด้วยตัวข้าพรองค์แล้วไม่จําเป็นที่ข้าพรองค์จะต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไม่จําเป็นจะต้องเชื่อพระพุทธองค์ไปเชื่อตัวตัวเองรู้ติดเจ้าโสต่ธทุกต้องแล้วพิจารณาความเข้าใจความรู้เกิดขึ้นจากจิตใจของตัวเกิดความเข้าใจจากจิตใจของตัวเมีเหตุมีผลเป็นของตัว แล้วก็ผู้ที่จะได้บรรลุธรรมก็คือบรรย์ด้วยวิธีที่เกิดขึ้นด้วยองค์วิธีขอตังอย่างนี้การที่เราเอาข้อปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเป็นกลุยหมายปลาทางไปหมุนไปคิดไปแยกไปแยกไปอะไรตามท่านนะอันนั้นเป็นบายเป็นวิธีแต่เวลามันจะเกิดจริงๆมันจะต้องเป็นด้วยตวงตุวเออันนั้นเป็นกลุยหมายปลายทางเป็นแบบยาวเป็นแบบยาว เป็นเยี่ยงอยากเป็นแบบอยา่างมันยังไม่ใช่อุบายวิธีที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นด้วยการอดการทนโดยปัญญาของตัวเองโดยสติตัวเองสามัญญาของตัวเองโดยความภาคภูมเพียรต่อเ น, นื่องของตัว อ, อุตสาหพยายามของตัวเองเห็นด้วยสติโดยปัญญาของตัวเองพสูจนแล้วตดลองแล้วไข้ขูดแล้ว ปักใจเชื่อเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นโอ้อันนี้เป็นเหตุเป็นเหตุจากอนันนั้นจริงๆอันนี้เป็นผลจากอนันนั้นจริงๆปักใจเชื่อเต็มที่ร้อยเปอรซนนั่นคือผลลัพธปัจุบันอย่าง่เราจําระทิฏฐิมานะเขาไล่ตรองเทนั้นเราจะมีความสุขมากเราดูออกไหมว่าเราถือเตื้อถือน้าถื อ, ถ อ, ถ อ, ถ อ, ถอตัวน่ะกิริยาแบบไหนที่มันแสดงภายในใจเราเราดูออกไหม ต้องดูใหออกถ้าเรายังดูไม่ออกอเราก็สำคัญมั่นหมายว่าเราไม่ถือเรื่องไม่ถึงตัวนั้นน่ะดูไปข้างในลึกๆเลยเจ็บเห็นที่มันมีอยู่ภาในใจบันที่เราทําได้ข้างนอกข้างในเรามันยังแทงใจเราอยู่ดูให้ออกพยายามเข้าไปถึงตัวนั้นน่ะเจาะไปถึงตัวนั้นทะลุไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจตัวนั้นจิ้ไปในหัวมันเลยหัวที่มันพ่าเป็น ไปไเจิมไปยังไงก็ไปชมหัวใจของโอ้ชุกหัวใจที่โกรูรอุบายที่โกวิธีที่โ ก, ท, โกที่มันมาสอดแทรกในหัวใจของเราไม่มีเหตุไม่มีผลเราจะต้อนมันอยู่หมาดได้เราจะต้องต้อนไม่เหตุ้วยผลอ๋ออันนี้ไม่มีเหตุไม่มีผลอ๋ออันนี้เป็นการถือเนื้อถือตัวอ๋ออันนี้อันนี้เป็นทิฏฐิอันนี้เป็นมาณะมรณะแปลว่าถือตัว ที่ทิ้มันนั่คือถือเนื้อถือตัวตาม trading, ความคิดความเห็นของเจ้าของไม่มีใคร d, สามารถมาลบล้างได้ตามเหตุตปรจจัยของเจ้าของคนอื่นก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แน่นอนร้อยเปเ็ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แน่นอนร้อยเปอเ็ตปัจเชื่อทั้งที่ร0 0เเเชื่อผิดเข้าใจผิดสำคัญผิดตามอิลิกคน ประเภทนี้กิจประเภทนี้เป็นกิจที่ชอบคาดคาดเดาเดาหมายหมายแล้วไปเชื่อไม่มีเหตุผลพร้อมอยู่ในนั้นเห็นคนอื่นพูดเอามาคิดเอามาใคร่ครวญพิจารณาคาดคาดเดาเดาปักใจเชื่อเห็นกิริยาคนอื่นทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมาคิดมาคาดมาเดาการยืนรู้ว mm.! ่าการคิดการคาดการเดาน้นมันเป็นเรื่องของสัญญามันไม่มีเหตุผลเพียงพอ ที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆแต่ก็ปรับใจเชื่อถ้าเรามีประสบการณ์นในใจของเราเนี่ยเราเอาไปจับกิริยาของคนอื่นนั้นจับไม่ยากเลยจะเป็นคนระดับเราก็ตามจะเป็นคนเนื้อเราก็ตามจะเป็นครูบาอาจารย์มีคันสามารถมากเท่าไรก็ตามถ้ายังถือกิริยานี้่อยู่จับได้ไม่ยากเลยเราย้อนย้อนย้อ น, อ น, อ น, อนดูตามกิริยาที่ท่านทำนแล้วย้อนดูไปแล้วออกไม่มีเหตุผลโดยทยํามเ ปรับใจเชื่อบางสิ่งบางอย่างั้งท่านที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรเลยฟังตคำบอกคนอื่นเชื่อแล้วเชื่อแล้วสมควรจะโกรธตาดำอะไรก็โกรธได้เลยสมควรที่จะดูที่จะว่าเที่ยที่จะอะไรแบบดูก็ว่าได้เลยอันนี้เขาเรียกว่าขาดเหตุผลเหตุผลทธธี่แท้จริงฟังไว้ก่อนหูเนี่ยฟังไว้ก่อน แลวก็มันึกมาคิดมาพิจารณามาไข้กลัวให้เหตุด้วยผลถ้าเราทําจนชินแล้วมันไม่จําเป็นจะต้องมาคข้กลัวอะไรมากมายยับมาเขารู้เลยยับมากขารู้เลยเราพยายามฝึกเพราะสิ่งล่า น, นี้เคยมีแรงจูงใจให้เราเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้การคาดการต่ากันหมาเป็นสัญญาลงหรือว่าเป็นเหตุผลหรือว่าเป็นเรื่องของปัญญาเเรื่องของสติของปัญญา เราพิจารณาให้ครทั้งนี้เพื่อมาแก้ไขตัวเองไม่ใช่เพื่อไปแก้ไขคนอื่นการคิดเพื่อที่จะไปแก้ไขคนอื่นคนอื่นนั้นเป็นการคิดผิดเข้าใจผิดสำคัญผิดแล้วหัวใจของใครช้าล้างเอาเองไปช้าล้างแทนกันไม่ได้พุทธเจ้าท่านเพียงแต่สอนอุบายวิธีให้เราไปทำเพื่อช้าล้างหัวใจให้เราเองขุมืิญญาณท่านชาล้างหัวใจของพระจุลวรรธนะใช่ไห บวิธีของท่านนี่เธอเอาอยี่นี้ไปทําในร่มิพักขาวอ่ะเธอเอาไปบริกรรมแลังลูกนะไปชวนนางไปชวนนางไปชวนังอืมทานก็บอกไใบแค่นี้ให้ไปทาทําไปทําไปทำไม ใ, ใจคนมันไม่ใช่ใจไม้ใจคนมันสามารถทําให้เกิดปัญญาได้ทําไปทําไปใ่อยควรไปค่อควรไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปเอา้า ทำไมผ้า ข, าขาวๆผ่องทํามันดําลงดําลงดำล ง, ำล ง, ำลงมันเกิดปัญญามันมีเหตุผลในตัวของมันเอร่างกายของเราเป็นปฏิกูลโสโครมันซึมเข้ามานะมันย้อนเข้ามาที่ตัวมันเห็นที่ตัวตัวเองเ ป, ป็นโสโคโสโครปักใจเชื่อเต็มที่โอ้นี่เหตุผลไปจับเฉพาะหน้าเลยเนี่เห็นเหตุผลชัดเจนเลยว่าเอ้ามันข า, ขาวๆทำไมันดําลงดําลงทำไมเหตุผลอยู่ใกล้ตัว เพราะอะไรก็อะไรเพราะมือของเจ้าของนี่สกปรกถูไปถูไปถูไปผ้าเนี่ยเศร้ามองลงองลงมองลงอ่ามันเห็นเหตุมันเห็นเฉพาะหน้าเลยเนี่ยมันเห็นตัวของตัวเกิดปัญญาขึ้นในปัจจุบันนะเพราะว่าสอนไปจับกุญยาดูดูจิตของพระจุบันตลอดเพราะว่ใส่ลิบลิปัสนาไปปัดแง่ยของลิปัสนา ไม่เกิดปัญญาพี่เรียนราตามบรรุธรรมรุธรรมแ้างทีเรียนมาสามเดือนไม่ได้อะไรเลยความจก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ที่ใช้ตักเสียใจตามหาอีกพรพุทจ้าออกใบแค่นี้ทำเองนะพระพุจ้าเพียงแต่บอกบเธอต้องไปทำเองแล้วบรรลุธรรม เปนจะนั่งอยู่ที่บ้านหมอชีวกนง้รู้ว่าพระจุลมันเถกมันุทำแล้วให้เขามาตามมาพระยังมีอยู่นะไปตามมายังไม่ได้ให้พอนะเขาประเค้นเราอังคาดหมดแล้วยังไม่ให้พอยังไม่ได้ฉันเขาก็มาตามชุลมันเถกชุลมันเถกชุลมันเถกเต็มวันเลยอธิฐานเป็นคนเป็นพันพันคนอยู่ในวันชุลมันเถกชุลมันเถกเต็มวันเนี่ยอ๋อกลับแล้ว ทำไมว่าพี่มีพระองค์เดียวมีเต็มไปวัดเต็มวัดเต็มหมดปัดกวาดเช็ดถูนั่งเดิเนโยกลงแต้มไปหมดทั้งวันแะล้กลับไปใหม่ใครใครเป็นคนรับว่าชื่อจุลบรรท่ไปจำคนนั้นเลยไปจั บ, อไไจบพอไปจับนอกนั้นหายหมดอะได้ตัวพระจุลบัทรทมไปละไปฉันด้วยที่บ้านหมอชีวกอุบายวิธีที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ในลนักษณะ ผลของการปฏิบัติธรรมมันจะเกิดขึ้นในตัวของตัวเองเห็งกระจักชัดเย็นในตังตัวเอพยายามระวังสัญญาเรามันจะมาแทะให้เราขุ่นดูให้ออกว่านี่คือสัญญาดูให้ออกวันนี่คือปัญญานี่คือบวิธีที่ทำให้เกิดปัญญาปัญญามันก็เกิดขึ้นจากสัญญาหมายให้เป็นหมายถูกโดยความเป็นธรรมหมายถูกโดยความเป็นธรรม ถ้าหมายเป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสเช่นอย่างเราหมายนั่งกายว่าน่างกายของเราสวยนงามนี้ขาวงั้นผ่องนี้กิเลสมันก็ภาวะวารวายไปแล้วกิเลสมัน ก, ก็ไปเยิ่มเข้ามาทับหั่ใจนี่คือใช้สัญญาที่เป็นรื่ของกิเลสถ้าเป็นสัญญาโดยธรรมเนี่ยการคาดหมายให้เกิดความเป็นธรรมการ้าดหมายว่าร่างกายปฏิปูลโสโครกหน้ารังเกียจเน่าเป่วยผุผุพัง นอนเจาะน้ำเหลืองไหลเยอะยัวเยีเย่ยอยู่เต็มตัวมันทำให้เกิดภาพจิตตาเราเอาภาพจิตตาอะไรไปใส่ตรงที่เราเห็นว่ามันน้ำที่สุดอ่ะเอาไปใส่มันเยอะไปหมดสัญญาแบบนี้เป็นสัญญาโดยธรรมเพราะเป็นให้เกิดความบืรอความนายความคลายความจาดการเบื่อนายคลายจางในอะัตภาพร่างกายนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยของพระศาสธา การกำลังยินดีพอใจในการมองเห็นกรมเป็นเรื่องสุภาพงามอย่างนั้นผ่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องไม่ใช่ธรรมของศษษษส า, าสนาก็แสดงเป็นธรรมของกิเลสอ่าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นธรรมของกิเลสการที่เรามองทธรรมลึกเข้าไปในใจลราต้องม อ, องยยอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างนี้เราจะทำอะไรก็ตามเราไม่ลืมที่จะมองมาที่ใจของเรา เพือศึกษาธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมในใจของเราวันคืนร่วงไปไม่ปราประโยชน์ท่านก็ไม่ป่าประโยชน์คนนั้นก็ไม่ป่าประโยชน์คนนี้ก็ไม่ป่าประโยชน์ถ้าต่างคนต่างเอาใจจดจ่ออยู่อย่างนี้อย่าไปมองเห็นว่าเพศของเราเป็นเพศที่น่าเบื่อหน่ายอยู่อย่างเซง็งเซงไม่ใช่มองผิดเขยายผิดเป็นเพศที่มองอย่างเห็นคุณเห็นโทษเห็นคุณของอะไรเห็นโทษของอะไร เห็นคุณของธรรมเห็นโทษของกิเลสกิเลสให้โทษเป็นทุกข์เป็นโทษทําให้คุณเป็นความสุขสุขอะไรสุขกายหรือสุขใจสุกใจไม่ใช่สุขกายโดยเหตุที่สุขใจก็เป็นเหตุให้ร่างกายมีความสุขไปด้วยสิ่งนั้นที่เป็นธรรมซึ่งเราเอาร่างกายทำมเราก็ตั้งใจทําลงไป กิริยานี้เอาการงานอันนี้มัดเข้าไปมัดใจเข้าไปเพราะกิริยาที่เราทานี้เป็นกิริยาที่ทําให้เกิดเกิดเกิดความเป็นธรรมร่างกายจฉเนตเหนึ่งก็ตามแต่ว่าด้วยเหตุที่สิ่งนั้นเป็นธรรมเราก็ต้องต้องใจธรรมันก็ได้บุญทำนู่นทำทำอะไรก็ตามกิริยาที่ทําให้เกิดความเป็นธรรมมันมีอยู่ทําเพื่อประโยชน์ใช้สอยเย็บผ้า เยปนยุงเยปะฮงทำที่อยู่อาศัยทําอะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อทํำผู้มีหน่ายเราจะเน็มีหน่ายลำบากขนาดไหนก็ตามมันได้ผลคือบุญตามมนในหัวใจของเราหรืออะไรที่เน็ตมีลำบากเอาความเป็นอมตายเข้าไปเสี่ยงแต่ผิดสินผิดธรรมผิดมีดหน่ยยิ่งทําำยิ่งเกิดทุกข์เกิดโทษ ให่งดให้ละให้เว้นอยู่สุขสบายแบบที่เกียจคียคร้านพัจจัยความนึกความคิดเสียเวลาเวลาไปวันๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมาสรุปดูประเมินผลดูวนันนี้เราได้อะไรมาไม่ได้อะไรเลยย้อนบรร d ใจเจ้าของสักระยะหนึ่งก็ไม่ได้ย้อนไดูแบบนั้นเป็นความสุขสบายตามกิเลสไม่ใช่สุขสบายโดยทำเพื่อทำ ทุกอย่าลําบากจากการยืนภาวนาเดินจงกรมนั่งภาวนาเจ็บทนเจ็บทนปวดท น, ท น, ทนไรทุกอย่ลาลําบากกันนานแต่ว่าเป็นธรรมเงินยาลําบากขนาดไหนก็ตามท่าให้อุดสาหพยายาให้กดให้ทนเพราะอันนี้เป็นธรรมนี่วันคือลงไปก็มีความจําเป็นมีความสําคัญอย่างนี้อย่าอยู่ไปแบบเปล่าประโยชน์มีความสุขอยู่แต่ไม่ได้ไปรน์อะไรโดยธรรมมีความทุกข์ลำบาก ทำงนร่างกายใช้สติใช้กําลังใช้อะไรแต่เรอยู่แต่เป็นไปเพื่อทำมีเราได้ไประโยชน์ผลได้ประโยชน์ได้บุญบุญเถียได้บุญต่อไม่ลงสิ่ง น, นี้มันก็ท้าทายอะไรหัวใจเราเราจะรู้ได้อ่างไถ้าเราไม่ย้อนมาศึกษาหัวใจเราเราไม่รู้ยิธีาการปฏิบัติทางด้าน จ, จิตใจของเราจิงเป็นเรื่องสองําคัญมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในตัวนั่นแหละ มาทำประจำมาทําให้บ่อยครั้ง อ, อย่าเบื่ออย่าหน่ายมันเบือ่อหน่ายอะไรปั๊บจิ้มมันที่หัวใจมันเบือบ่อเบือ่อนอนเบื่อนี่เบื่ออะไรก็อะไรจิ้มเข้าไปไมแม้แต่กิริยาที่เป็นธรรมเราพาิจารณาไปแ ล, ล้วเกิดความเบือ่อหน่ายก็ตามจิ้มลงไปมบยิ่งเบื่อหน่ายหนันนกเข้าไปจิ้มลงมันยิ่งเบื่อหน่ายหนักเข้าไปอีกมันยิ่งเห็นธรรมะละเอียดลึกเข้าไปนี่กิริยาที่เป็นธรรมแล้วนะ ไอ้กิริยาที้มันเป็นธรรมดูไปแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อนุ่นเบื่อนี้เบื่ออะไรสารพัดจิ้มไปตัวที่มันเบื่อๆนั่นแหละเบื่อผิดก็จิ้มไปที่ตัวเบื่อเบื่อถูก็จิ้มไปที่ตัวเบื่ออันนี้เราจิ้มจิ้มไปอะไรทําองนยิ่งเกิดยิ่งขยายเยอะๆไปมากมายมาศาก็เป็นเรื่องของธรรมแต่ถ้าเป็นเรื่องเราจิ้มไปจิ้มไปแล้วมันจะพลิกตัวมันจะทำให้เรามีสติมีสมมติเนี้ย กลับมาสํานึกรู้สึกตัวนี่ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์วันคืนลงไปมันได้ประโยชน์ทุกคนทุกท่านทุกเราท่านนึ่งันคืนลงไปมันได้ประโยชน์ร่างกายของใครของใครเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเก็บไข้ได้ป่วยไปเรื่อยทุกอย่างลำบากไปเรื่อยตามภาวะของอัตภาพร่างกายแต่ขอให้ธรรมะเราเจริญเพื่อออกในใจของเรา มันมีความผาสุกทำยังไงมันก็ไม่ถึงใจถ้าเราไม่มองมาที่ใจมันไม่ถึงใจหรอกแต่ทาอะไรถูกใจมันก็ไม่ถูกใจหรอกถ้าเราไม่มองมาที่ใจมันเป็นเรื่องของกิเลสมันพาทําต่ถ้าย้อนมาที่ใจมันจะได้เห็นกิเลสเห็นหน้าเห็นตาของกิเลสเราจะได้กำลังใจเราจะได้มีสติมีสมาชิเยอะ มันจะเกิดความรู้สึกว่า อ, อปัญญาโดยธรรมของเรามันมีมันเกิดคามภาคความเพียรที่จะบูสา ร, รทําอะไรอย่างไรยังหนึ่งให้เกิดความเป็นธรรมทําไปแล้วเกิดความเป็นธรรมตั้งใจท่องบนสวดบนภาวนานี่เกิดความเป็นธรรมรยุ่ยยากลำบากก็ต้องทำเพราะเราทําไปแล้วเกิดความเป็นธรรมได้ประโยชน์ได้บุญตั้งใจทำไปแล้ว ไม่เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมพาเราออกนอกรูนอกทา ง, ทางนอกศีล น, นอกธรรมอันนั้นที่ผมวรีบละรีบเล่นย้อนมาใหิจใจจะเห็นี้จะได้เข็ดจะได้หลาบจะได้หลีจะได้ห ล, ล, ลบจะได้เลี่ยงมันก็มีแค่นี้ปฏิบัติทางด้านจิตใจของเราปฏิบัติไม่มีพอปฏิบัติจนเกิดผลเพียงพอถึงจะพอไม่มีว่าท่านั้นพอไม่มีว่าท่านี้พอ จิ้ ม, มาที่หัวใจเลยสามารถจิ้มคุมมันได้ตลอดยืนเดินนั่งนอนคุมมันได้ตลอดคุมมาที่ใจของตัวเองเพราะใจเป็นเจ้าโทษเป็นเจ้าทุกเจ้าโทษ เ, เจ้าปัญหาปัญหาทุกอย่างสนั่งฟัสเกิดที่ใจเป็นวิจฉาทีิฐินึกผิดเข้าใจผิดสําคัญผิดมั่นหมายผิดยิ่งพาตัวเองหลงเข้าไปอีกแหละหลงผิด ก็เลยไปถือผิดเลยพเข้าใจผิดเลยไปทําผิดด้วยเหตุที่สําคัญผิดทาให้ดูเรื่อยๆมันจะพาเนึกอความทีไปอย่างนั้นจริงคนที่นึกผิดเข้าใจผิดแล้วก็พาไปทําผิดผิดอันนี้มีมากมายมหาศาลดูมาที่ใจเราจะเห็นแล้วจิตใจแบบนั้นเป็นจิตใจที่สัญญาไฟจีริยมันทา ง, งานได้ทั้งวันได้ทั้งวีทั้งวัน ยกโทษยกก่อนคนนั้นคนนี้ยกโทษ ย, ยกก่อนสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ตำหน่งนั้นตำหนินี้แต่ไม่เคยย้อนมาดูจิตของตัวเองมันเปทำมิตรผิดไปฆ่าดปิดไปเดาผิดไปหมายผิดสีที่เรามว่งไม่ได้ได้แต่ก่องทุกข์ แกอ่ยใกับสิ่งนั้นแกอยใจกับสิ่งนี้ลำบากกับสิ่งนั้นลำบากกับสิ่งนี้เดือดร้อนใจกับสิ่งนั้นเดือดร้อนใจกับสิ่งนี้เพราะเราไปคิดผิดเข้าใจผิดสําคัญผิดรู้มาให้ใจเราจะเห็นฝึกมาทีใจชักมาที่ใจกล่ามาที่ใจอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆตามสัญญางนที่เป็นพาหลอกที่จิดพูดอะไรตามสัญญาเราฟังให้ดีใข้ขรุนให้ดีอย่าไปเชื่อซุ่มๆดาวๆอย่าไปคาดคาดดาวๆแลนะครับ ปรับใจเชื่อเอาเป็นเอาตายเข้าไปใส่วิชาทิฏฐิหรือสมาทิฏฐิจะเป็นสมาทิฏฐิโดยความเป็นธรรมตามหลักของธรรมเนี่ยเอาเป็นเอาตายแรกเข้าไปเลยดูเข้าไปเลยจิ้มเข้าไปเลยเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสที่รู้สึกตัวแล้วก็ถอนตัวออกมาถอยตัวออกมานี่แหละงานมีภายในใจของเราก็มีอย่างนี้ เพื่อสักเพื่อฟอกเพื่อชำระเพื่อางิฏฐิของตัวเราเองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราไม่ชำรทิฏฐิเราท่านทั้งหลายนี่ไม่จำรทิฏฐิยึดถือสําคัญมั่นหมายสิ่งนี้สิ่งนี้อะไรอะไรเราพยายามขบเจ่อยลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปให้รู้สึกให้รู้สึกอยู่ในตัวของตัวเองไม่มีใครรู้ด้วยกับเราอย่าไปกระโตกกระตากตามคําพูดของคน เขาพูดยังไงเขาพูดยังไงเขาพูดยังไงถ้าเหตุผลไม่ชัดไม่เพียงพอเราก็ฝังก็สับแต่ว่าฝังอย่าไปผลีพลามเชื่อกิเลสในใจเขาตัวเองแล้วสวนมากผิดมากชั่วมากผิดมากต้องระวังเราไม่ระวังแล้วเป็นการสร้างเป็นสร้างภายัยสร้างกรรมสร้างบาปสร้างกรรมให้กับตัวเราต้องระวังอย่าไปหลงเชื่อกิเลสในใจของเราง่ายๆความสงบนั่นแหละมันเป็น ถ้ำมันเป็นอูให้จิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเป็นผาสุขมันเป็นกิตที่ไม่เหลือดไม่ดานมันเป็นกิตที่ไม่ปวดาผลมันเป็นกิตที่มีเหตุมีผลมันมีอูอยู่มันมีแหล่งอยู่มันมีเบ้าอยู่เบ้าของมันคือความสุกอูของมันคือความสงบไขครวรกําหนดดูแล้วก็ไขควรวนดูเป็นเหตุเป็นผลไหม อาศัยความสงงนนามสงบของจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นพูดมันเลยความสมงบของจิตนั่นแหละมันจะเป็นเหตุให้จิตของเราเนี่ยเข้าถึงสัจจะทำง่ายท่านทั้งหลายอยาทิ้ความสมบของจิตย้อนมามันก็สงบที่จิตของเราย้อนมาดู่จิตของตัวเองมันจะได้รับความสมงบอยู่ที่จิตในระหว่างที่สงบมันก็เป็นการชักการละการขัดการกล่าวนะมันเป็นอาหารของจิต โดดหนึ่งได้รับความเปิดอิ่มภายในจิตมีความสุขมีความสงบภายในจิตอู o อยู่เพรามันท่นาอนอยู่ไปเท่าไหร่ท่านอยู่ออกไปท่านทํางานแต่อย่าลืมมัศติสัมมชัญย่าต้องตามคากับพร้อมต้องมีพร้อมสําคัญแค่ว่าเราสงบสงบสงบสงบปัจจุบันท่านจิตเรารู้ไม่ได้เราไม่ทันนี่ก็แสดงว่ารเร า, ย, ายังคาดป็นยังเดาอยู่ยึดความสงบคาดเดาวความสงบ ให้มันเห็ น, ป, นประจักปัจจุบันทันทีใ น, ในใจของตัวเราเราไม่ต้องสงสัยว่าคืออะไรเป็นอะไรเราอยู่เราศึกษาอย่างนี้มันจะไม่มีการเบื่อการนายในทุระในหน้าที่ในการาที่เรา จ, ะจะัดออกทำมันเป็นการเสริมให้เราชนะทุกยับทุกเวล า, ามันจะได้กำลังใจไปตลอดเป็นธรรมเป็นที่ไหนของมุสาสุดา ต้งใจทุกคนอยู่อย่างภาชนะบกพร่องภาชนะบกพร่องไม่มีอะไรเลยไปทำตัวเหมือนคนมีภาชนะเต็มแล้วในส่ือ ว, วันคืนโลกงไปบอกเปล่าวันคืนโลกงไปบอกเปล่ามุขสนยังไม่เต็มที่เต็มใจไม่มีอะไรทาที่จะทำให้มันเต็มมันเร็วขึ้นเร็วภาวนาเนี่ยแหละดโดยตรองอยู่แล้ว มันจะทำให้ใจของเราเนีตื้นเขินข mm. ึ้นมาแล้วค like> sure> ุ้นเร้าขึ้นแล้วคุ้นเร้คุ้นเาศนาอย่าลืมความสงบภายในกิตเพราะความสงบของกิตจะทําให้เราเข้าใจหลักของสัจธรรมได้รวดเร็วมันบอกได้เลยว่าอะไรเป็นสัจธรรมภายในใจอะไรไม่เป็นสัจธรรมอะไรเป็นกิเลสแทรกเข้ามาสิงเขมาสวมลอยก็มามันจะบอกในความสงบของจิตของใจของเราอย่าลืมอย่ามองข้ามสิ่งต่างๆนี้ อย่ามองข้าวความสงบอย่ามองวความข้ามความสั่งพยายามภายในใจของเรารู้ที่ตัวของตัวเราไม่จะต้องไปแสดงให้ใครรู้เราอยู่อย่างนี้เราอยู่อย่างก้าวหน้าเราอยู่อย่างทันปัจจุบันทันท่วงโยอย่างพัฒนาจิตของตัวเองไปเรื่อยๆท่านจะเห็นว่าจิตของเรามันเจริญไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราอยู่แบบไม่ปล่อยะละหวังภายในจิตทั้งตัวเราเ จะพูดจะยืนจะเดินจะอะไรก็อะไรเราสามารถพัฒนาได้ทุกระยะทุกเวลาอันนี้เป็นงานในภายใหม่แล้วก็มีความสุขมีความชุ่มเยม็นในหัวใจของตัวมานรู้รู้สึกทุกรู้สึกเซ็งรู้สึกอะไรกับเรื่องอะไรดูที่คลายพิจารณา ม, มันดูให้ดีหาความสุขให้กับตัวเองให้ถูกตามธรรมไม่ต้องไปสําคัญว่าสิ่งที่เป็นกิเลสหรือว่าเป็นธรรมตามไปตามไปตามไปเจอทุกข์เข้ามาแลนะตามไปตามไปเจอทุกข์เข้ามาแลนะ ต้องป่าจะบอกใหด้ดว่าอาทิตยนนึ่ก็มีบวชนะบห น, น, นหน้าได้กี่หน้าก็ใมันกล้องฝึกมันกล้องบริการก็ช่วยดูสัง tha โดจัดบริการอันไหนเกิดประโยชน์ให้ทำให้ช่วยกันทำจะไปผิดกันนะผิดกันไม่ได้ผิดกันจะเกิดทุกข์เกิดโทษทัน ท, ทีหาความสุขไม่ได้นะ คนที่ฉลาดรู้จะหาความสุขให้กับจิตของตัวเองคนที่ไม่ฉลาดก็ฮะแต่ทุกแต่โทษให้กับตัวเองในเมื่อเราทำเหตุลงไปแล้วผลเราไม่ต้องหวังก็ได้เราทำเหตุด้วยความถูกต้องโดยทำตามธรร ม, มผลมันก็ตามมาเรื่อยๆจะปฏิเสธได้ยังไงเราปฏิเสธมันได้ด้วย เราจะไปเยี่ยววันเราวา่ามในอัตภาพหน้าในวันหน้าเดือนหน้าพีหน้าดูให้เห็นสดๆร้อนๆที่ขณะที่เราทำมันคืออะไรมันเป็นอะไรดูให้ออกอันไหนที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษดูให้มันออกอันไนหนที่มันเป็นคนุณดูให้ออกยึดยึดมั่นถือมั่นในข้อปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามอันนี้เป็นถาวเป็นมรร พยายามปล่อยปละละวางสิ่งที่เป็นโทษซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดออันนี้เป็นโทษพยายามละพยายามนวดพยายามเป็นอันนี้ก็เป็นมารอันไหนที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นสมุทยัยพยายามยึดยึดยึ ด, ยดทุกข์ตามมาแล้วมาทับท่วมตัวเองแล้วต้องระวังให้ดีมันพาเราหลงไม่ง่ายพลิกแป๊บพาเราหลงไปแล้วพลิกแป๊บพาเราหลงไปแล้ว ความสงบของจิตทําให้เราสั่งสมสติสัมปญญะจะกลายเป็นผู้หนักแน่นมั่นคงไม่พรวดพลาดไม่ตัดสินใจอะไรพรวดพลาดไม่ตัดสินใจอะไรเข้าข้างตัวตัดสินใจอะไรเข้าข้างเหตุเข้าข้างผลมีสําคัญมากยังปลาไม่ได้เอาละพอสมควรูว่แหละตอนนี้